สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบเ็ดนะครับการถืออดตอนที่สามครับเมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องคือว่าการถืออดนั้นมีสองแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการถืออดเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมนะครับเมื่อประเทศชาติส่วนรวมเผชิญวิกฤตการนะครับเราก็ต้องถืออดครับแต่การถืออด อีกประเภทหนึ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือการถือบทประเภทที่สองก็การถือบทแบบส่วนตัวกับผมข อ, องที่าตทบทวนนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันพูดกันถึงเรื่องของการถือบทและก็ยกตัวอย่างว่าพระเจ้านั้นจะทรงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ของชนชาติของเรานะครับโดยผ่านทางถือบทก็เป็นได้ พระเจ้าจะยกโทษให้อภัยและรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนะครับเนื่องจากการถืออดการกลับใจใหม่การอธิษฐานครับแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของเอสเธอร์นะครับผนังเอสเธอร์ที่เรียกร้องให้ประเทศชาติให้ประชาชนของเขานั้นได้ถืออดเพื่อที่เขาจะได้พบกับพระราชาถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศเพียงผงจำได้นะครับในวันนี้ครับจะเกี่ยวข้อง กับในพระกังพี์เดิมอีกสองสามคนนะครับที่พูดถึงเรื่องของการถืออดนั่นก็คือกษัตริย์เยโฮชามฟัดครับเยโฮชาฟัดนั้นขอมีการถืออดเพื่อเพื่อชนชาติของตัวเองนะครับเมื่อถูกชนชาติหนึ่งที่ว่าเอโดมคุกคามแท้ที่จริงแล้วนะครับชนชาติเอโดมนั้นในอดีตหรือในประวัตินั้นก็มาจากเอซาวครับ นับเอโดมก็คือเอชาวครับก็เป็นญาติพี่น้องกับอิสราเอลแต่ต่ อ, ตอมาหลายร้อยปีต่อมาคนเหล่านั้นก็บุกรุกแล้วก็เป็นศัตรูกับชาวอิสราเอลในสมัยของทศัยิย์เยโฮชาพัทกันพระที่กล่าวว่าเยโฮชาฟัทนั้นกลัวและมุ่งสแสวงหาพระเจ้าและได้ทรงประกาศให้ถืออดอาหารชั่วอยู่ดาอันนี้พบในสองพง ว, วดารนะครับบทที่ยี่สิบข้อที่สาม ขยับมาครับขยับมาใกล้มาเรื่อยๆครับมีคนหนึ่งชื่อว่าเอสราครับเอสรานั้นก็ประกาศให้มีการถือออาหารเพื่อป้องกันภัยให้กับประเทศชาติเมื่อคนของพระเจ้าจะกลับไปยังดินแดนของพวกเขานะครับเอสรานั้นจะเป็นคนที่นำเฉลยนะครับชาวยิวที่ไปอยู่ที่มิดเดลเปอร์เซียนะครับกลับบ้านครับกลับยอวเินกลับแผ่นดินพันธญาครับในช่วงนั้นครับเอสรา ก็บอกให้คนของพระเจ้าครับถืออดเพื่อป้องกันภัยที่เกิดขึ้นการถืออดเพื่อป้องกันได้นะครับป้องกันภัยที่เกิดขึ้นโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าก็ประกาศให้กดทหารที่นั่นคือที่แม่น้ําอาาวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่มตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะทูลขอผลทางอันปลอดภัยจากพระองค์สําหรับเราลูกหลานของเราและข้าวของของเรา ปรากฏอยู่ในเอสเทอร์ทที่แปดข้อยี่สิบเดนะครับพี่น้องอีกคนหนึ่งครับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับโยเอลครับโยเอลเป็นผู้เผยเพระเจ้านะครับน้อยที่อยู่ในพรอเจ้าของพระเจ้านะครับในขัมพผเดิมถ้าพบ ว, ว่าโยเอลก็ขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเขาครับประชาชนเขานั้นถือปดอาหารเมื่อถูกฝูงตะกะตตนโจมตีครับอยู่ในพระธรรมโยเอลบท El ที่หนึ่งข้อที่สิบสี่ครับ จงเตรียมตัวทําพิธีถืออดอาหารจงเรียกประชุมตามพิธีจงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิน้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและร้องทูลพระเจ้าเห็นไหมครับที่นี่บอกว่าจงถือพิธีอดอาหารนะครับเนี่ยครับคือการอดอาหารเมื่อยามวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตส่ว น, นรวมก็ตาม ในวันนี้นะครับเราจะดูครับว่าประโยชน์ของการกินอาหารเพื่อความจะเป็นส่วนตัวนะครับอี่น้องครับพระเยซูเมื่อลงมาจากภูเขาสูงครับมีคุณพ่อคนหนึ่งได้มาปรึกษาเกี่ยวกับลูกชายของตัวเองว่าลูกชายคนเนี้ยเป็นบ้าและทําร้ายตัวเองหลายครั้งครับสาวกก็พยายามจะขับผีในตัวเด็กออกไปแต่พวกเขาไม่สามารถปรักษาเด็กคนนั้นได้อ น, นี้พบในพระธรรมมัทธิวบทที่17นะครับข้อที่16 หลังจากที่พระเยซูขับผีรักษาเด็กแล้วสาวกได้ทูลถามว่าทําไมพวกเราที่เป็นสาวกเนี่ยจึงไม่สามารถขับผีออกไปได้พระเยซูตอบว่าเพราะพวกท่านมีความเชื่อน้อยถ้าท่านมีความเชื่อเข้ า, มาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนออกไปจากที่นี่ที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านทําไม่ได้จะไม่มีเลยอันนี้เป็นเรื่องราว ของความเชื่อนะครับในการใช้เพื่อที่จะขับผีนะครับพวกเราทุกคนส่วนใหญ่นะครับก็เหมือนกับสาวกเหมือ น, นกันครับที่ขับพลังนะครับในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในชีวิตในการเผชิญหน้ากับการร่อลวงของมารซาตานจากอิทธิพลของมารซาตานครับแต่ที่น้องขับเราต้องรู้นะครับเงงบมื่อไใดก็ตามที่เราเผชิญกับปัญหาที่เกินความสามารถที่ตนเองจะแก้ไขได้ พระดำรักของพระเยซูเรื่องการช่วยเหลือตนเองไม่ได้เป็นของสาวกว่าไม่ได้ไไดของขอโทษครับพระํารักของพระเยซูเรื่องการช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับทําให้สาวกนั้นได้พบกับความจริงอย่างหนึ่งนะครับ <S <S นั่นก็คือการอดอาหารและอธิษฐานครับเพราะพระเยซูได้ส่งสอนตอนนั้นว่าผีชนิดนี้ครับไม่ไม่เคยถูกขับออกครับเว้นไว้โดยการอาธิษฐานและการอดอาหาร ฉะนันว่าการอดอาหารนั้นที่ต้องมีความสําคัญในระดับหนึ่งครับที่จะทําให้งานของพระเจ้าสําเร็จที่จะเพิ่มพูนกําลังของพวกเราครับสํบามาดูกันครับอย่างน้อยนะครับมีอยู่ห้าประการด้วยกันนะครับในประโยชน์ของการถืออดนะครับประกนนารแรกก็คือเกิดพลังอํานาจว่ายินยานเห็นไหมครับก็คือสามารถขับผีได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ถืออดพระเยซู บ, บอกว่าผีชนิดนี้ครับ นะครับไม่ได้ครับไม่เคยถูกข e ับออกได้เว้นไว้แต่การอดอาหารและการอธิษฐานนะครับเราจะเห็นนะครับประการแรกก็คือการอดอาหารนั้นทําให้เกิดพลังอํานาจฝ่ายวิญญาณครับประการที่สองก็คือ mm hmm. เมื่ออดอาหารนั <toner. S 2> ้นเราจะเผชิญ <i> ก <Sí. S 1> ับอุปสรรคในฝ่ายวิญญาณได้ครับเราจะบอกว่าชีวิตของแดเนียลครับเมื่อท่านได้เผชิญกับอุปสรรคฝ่ายวิญญาณท่านถืออดอาหารครับท่านเผชิญกับการข่มเหงนะครับ ท่านถืออดอาหารพี่น้องทัพยาเนลได้ยึดพระสัญญาของพระเจ้าและยังคงอธิษฐานต่อไปในที่สุดทัพพระเจ้าทรงตอบกับไอ้ทายของเขาครับประการที่สามครับาการอดอาหารนั้นสร้างวิตไนให้กับร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเรานั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ของพระเจ้าถคาทูตเปาโลนั่นกล่าวว่าพระเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพื่อเพาะเกงว่า เมื่อพระเจ้าได้ประกาศขเขาไสวดแก่คนอื่นแล้วพระเจ้าจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้อันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่เก้าข้อยี่สิบเจ็ดนะครับมีคนหนึ่งครับเขามีท่าทีถูกต้องต่อการอดอาหารถ้าพูดอย่างนี้ครับว่าผมจะบอกว่าไม่ต่อร่างกายของผมนั่นหมายความว่าผมกําลังควบคุมความต้องการของผมทางฝ่ายร่างกายได้เพียง ค, ครับถ้าเรามีความตั้งใจแลเราฝึกผลนะครับในเรื่องของการอดอาหารเราก็จะสามารถควบคุม ความต้องการความอยากความปรารถนาฝ่ายร่างกายได้ครับอนการนี่คือการทุบตีร่างกายให้แข็งจนอยู่มือนะครับเมื่อเราถืออดนะครับเรากำลังบอกว่าท้องไม่ใช่พระเจ้าของเรานะครับความอิ่มนะครับความพึงพอใจที่เกินเลยไปไม่ใช่ความต้องการของเรานะครับการถืออดทำให้เรามีชัยชนะเหนือความต้องการของเองนื้อหนังครับประการที่สี่ครับ ประการที่สี่ครับประโยชน์ของการถื อ, อดก็คือว่าเราเพิ่มพูนความเชื่อของเราบางครั้งบางเวลาในชีวิตของเรานะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขาดความเชื่อเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อาจไว้วางใจพระเจ้าได้หรือเราอยาก จ, จะท้อใจนะครับอาจจะท้อใจอาจจะถอยห่างจากพระเจ้านะครับการอดหันหนั้นเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อครับนะครับเราอธิษฐานอาจจะน้อยเกินไปอ่านทั้งปีอาจจะน้อยเกินไปนะครับ แต่วิธีหนึ่งจะสร้างความเชื่อของเราขึ้นมาได้ก็คือการถืออดครับการถืออดครับลองอ่านดูในพระธรรมมัทธิบทที่สิบเจดข้อยีสิบเจ็ดนะครับพี่น้องไปจะรู้ครับว่าการถืออดนั้นทําให้เราสามารถเพิ่มเติมหรือเพิ่ ม, มพูนความเชื่อของเราได้ประการสุดท้ายครับพี่น้องครับประการสุดท้ายประโยชน์ของการถืออดนะครับส่วนตัวก็คือการถืออดนั้นจะเสริมสร้างจิตอินญาณของเรานะครับ การถืออดอาหารจะลดกําลังของเนื้อหนังลงครับและจะช่วยให้เราจดจํำพระเจ้าครับปีน้องครับมีพระเจ้าของพระเจ้าตอนหนึ่งครับจะากจะฝาให้กับพี่น้องในในเช้าวันนี้ครับก็คือแต่ทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขอ ง, งของค์กรและพระองค์จะส่งเพิ่มเติม SUBSCRIBE สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้โปรดฝ่ายกัางครับแต่ทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์กร แล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อสามยี่สาครับการกินอาหารนั้นเสริมสร้างชีวิตฝ่ า, า, ายจิตวิญญาณของเราได้แล้วกับวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงการกินอาหารในพิ้นพีเดิมนะครับการกิหารส่วนรวมการกินอาหารส่วนตัวและก็ประโยชน์ของการกินอาหารท่ากางขอพระเจ้าช่วยที่น้องให้เสริมกําลังหนุนแทงพระเจ้าด้วยนะครับในการที่จะเริ่มถือวอาหารในบางสิ่งวงอย่างครับ ในวันพรุ่งนี้ครับเราจะต่อเรื่องการพูดนะครับเป็นตอนที่สีข่ข้าพเจ้าโวยพรในวันอังคารซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะรับรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าเปิดศีลพระเจ้าและทําการงานของเราให้ประกบความสําเร็จอาเมน